อะไรต่างไม่เหตุมีผลเอ้ากฎหมายรัฐธรรมนูนมีเหตุผลต่างคนก็ต่างเอารัฐธรรมนูนประชาธิปไตยมาอ้างแล้ว ก, ก็ไม่ลงกันบางทีก็เอาสารรัฐธรรมนูนมาตัดสินเหนือมันก็ยังไม่เพียงพอก็ไมายอมกันก็นี่เป็นสิ่งที่ไกลตัวแม้เดี๋ยวนี้เราก็ล่อลือมองคลตื่นข่าวน้ําจะท่วมกรุงเทพเปิดพิบัติ์ธมหาสมุทแล้วก็งองแต่ ก, กลัวข้างนอกอยู่ไม่เริ่มต้นที่ตัวเรา เราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่ะเราต้องมารู้เรื่องนี้ให้ได้ก่อนพระพุทธเจ้าตัดสะลุขึ้นมามารู้เรื่องนี้มารู้เรื่องการเกิดเจ็เจ็บตายให้ก่อนมันมีปัญหาที่ตัวเรานี่ถ้าเราอยู่เหนือความเกิดความเจ็ความเจ็บความตายแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรถ้าแผ่นดินมันไหวเราก็จะต้องกระโดดไปเพระได้สนุกดีถ้าแผ่นดินมันไหวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราถือว่าเราไม่ต้องกลัวเลย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 ไม่จะกราบจะว่าอยู่ก็ประโยชน์น้อยเราจึงควรจะทําจากตัวเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทําดีได้มันอยู่กับเราเแท้ๆก็มีบ้างมาทำวัดส่วนงอนมาฟังธรรมบางเทศถือว่าเป็นการมิตรได้ยินได้ฟังเอาไว้ถ้าท่านไม่ทุกข์ว่าบอกว่าก็ไม่ทุกข์ก็มีถ้าท่านมีไมโกรธก็ไม่โกรธก็มีถ้าท่านหลงคกมไม่หลงก็มี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 เป็นการปฏิบัติเสมอกันใครที่ดำหลีออกจากความทั่วไปสู่ความดีคนั่งเครื่อถือบวชก็นอบายแม้แต่เป็นเพศระว่าเจ้ายังก็ยังทำได้หมาชื่อว่าโอ้นักบวดท่านเป็นนักบวชท่านทำได้ไม่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ไม่ใช่ลัทธิีิกายเพศวัยชาติศาสนาใดเป็นสาคนเป็นสาคนของธรรมะใครหลงก็เหมือนกันหมด